รรมาบรรยายเรื่องเหนือความเกลียดชังโดยท่านววชิราเมธีบรรยายนะสุญยตาคารสุนิปัสนาสากลไรเชิญตะวันเมื่อวันที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2558ขอเชิญท่านสาธุชนโปรดฟังด้วยความเคารพณันะบดี้ ก่อนที่พวกเราจะได้ฝึกโยคะตามคุณครูทั้งคุณครูชาวไทยและคุณครูชาวอินเดียซึ่งอินเดียนั้นเป็นแผ่นดินพ่อแม่ทางวิญญาณของพวกเราชาวไทยก็ว่าได้เพราะพวกเรานั้นเป็นน่บุญคุณทางจิตวิญญาณของชาวอินเดียคือพระพุทธเจ้า พระอาจารย์ก็อยากจะนำธรรมะสักเรื่องหนึ่งมาแบ่งปันให้พวกเราฟังและธรรมะเรื่องนี้ก็เป็นโยคะเหมือนกันแต่เป็นโยคะทางจิตวิญญาณเป็นสปีดิชั่วโยคะพระอง์ของเราก็คุ้นกับโยคะมากเมื่อแรกบวชหปีพระองค์ฝึกทุกอย่างรวมทั้งโยคะ พระพุทธองค์นั้นทรงเจยวชาญโยคะขั้นสูงสุดทั้งโยคะทางกายเป็นฟิสิ c a l โยคะพระองค์ก็ฝึกถึงขั้นสูงสุดและก็โยคะทางจิตเวียนาณสเปริชั่วโยคะก็ถึงจุดสูงสุดดังนั้นเมื่อพระองค์ท่านบรรลุธรรมแล้วเนี่ยจึงเรียกนักปฏิบัตินะ practitioner ว่าเป็นโยคี โยคี oki, ที่กําลังฝึกโยคะฉะนั้นคําว่าโยคะคําว่าโยคีเป็นคําเก่าในทางอินเดียอยู่แล้วและตอนนี้ชาวโลกรู้จักคํานี้ชนิดใช้ทับศัพท์ได้เลยคําว่าโยคะคําว่าโยคีคำว่าวิปัสสนาคําว่ากูรูเดี๋ยวนี้ชาวตะวันตกรู้จักเป็นเรื่องธรรมดาและแนวโน้มของโลกหรือเทรนด์ของโลกเดี๋ยวนี้ สมาธิโยโเคะออแกนิกฟูด้ดทำไมโลกถึงโน้มน้อมมาทางนี้ก็เพราะว่าโลกเกิดวิกฤตยิ่งหลังวิกฤตการที่ปารีสโลกยิ่งต้องการโยคะทางวิญญาณทำไมจูจๆหัวเรือของมนุษยชาติถึงหันไปหาความรุนแรงและความเกลียดชัง ทำไมเพราะว่าเราทอดทิ้งโยคะทางวิญญาณคือเราขาดการฝึกจิตฉะนั้นเราจะต้องมาช่วยกันทำให้โลกทางโลกเราจะต้องมาช่วยกันหันหัวเรือของมนุษยชาติให้หันเหนไปสู่ฝั่งแห่งสันติฝั่งแห่งความเมตตาฝั่งแห่งความรักฝั่งแห่งการให้อภัยและฝั่งแห่งการ มีขันติธรรมระหว่างเพื่อนมนุษย์ที่เต็มไปด้วยความแตกต่างหลากหลายทางเพศผิวเผ่าพันวันณนะชาติภาษาศาสนาและวัฒนธรรมทุกวันนี้หัวเรือของมนุษยชาตินั้นมุ่งไปสู่ความรุนแรงมุ่งไปสู่ความกลัวมุ่งไปสู่ความเกลียดชังและมุ่งเอาชนะข้าการซึ่งกันและกันด้วยศักยภาพทางอำนาจด้วยฮ์ ธรรมะเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์เราจะต้องส่งเสริมให้คนมีซอฟต์พาวเวอร์ในตัวให้เยอะๆอย่างองค์ดาย ล, ลามาเนี่ยพระองค์ท่านเป็นแรงบันดาลใจทางจิตวิญญาณของคนทั้งโลกเพราะพระองค์ท่านนั้นถึงพร้อมด้วยความรักความรู้ความเอนโดและปรีชาญาณพระองค์ท่านบอกว่าศาสนาของอัตมานั้นง่ายมากศา ส, สนาของอัตมาภาพนั้นก็คือความรัก ฉะนั้นเราทุกคนมาถือศาสนาเดียวกันกับอาตมาได้ความรัก compassion หรือ love kindness ความเมตตาแต่พอเราทอาติงโยคะทางวิญญาณเราก็หันไปสู่ความรุนแรงความเร็วความเร่งและในเมื่อเราต้องเร็วเราต้องเร่งเราก็เห็นคนที่อยู่ข้างหน้าเป็นสตรอ ใครขวางเส้นทางของเราเราก็กําจัดนั่นไม่ใช่หนทางแห่งรักนั่นไม่ใช่หนทางแห่งสันติสุขนั่นไม่ใช่หนทางแห่งสันติภาพทําอย่างไรเราจะส่งเสริมให้โลกของเรานี้เป็นโลกที่เต็มไปด้วยมิตริตและมิตรภาพเราต้องกลับมาหาธรรมะธรรมะก็หนึ่งซึ่งอาตมาภาพชอบนํามาเล่าบ่อยๆก็คือเรื่องของ พระเจ้าทีคีติโกสลเรื่องมีอยู่ว่ามีนครอยู่สองนครนะครหนึ่งปกครองโดยพระเจ้าทีคีติโกสลนนะครหนึ่งปกครองโดยพระเจ้าพรหมทัตพระเจ้าพรหมทัตเป็นพระราชาของมหานครที่มั่งคัง่งเป็นรัฐมหามนาจในครั้งโบราณกาลพระเจ้าทีคีติโกสลราชา เป็นพระราชาของเมืองเล็กเมืองน้อยเป็นประเทศชายขอบของรัฐมหาอำนาจของโลกคล้ายๆไทยแลนด์ภูฏานอะไรอย่างนี้เป็นประเทศเล็กๆพระเจ้าพาราณสีนั้นก็เป็นเหมือนประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาเป็นพี่เบิ้มมหาอำนาจ แต่ไม่ว่าจะร่ำรวยยังไงก็ตามนะพระเจ้าพรมหมทัตก็ไม่เคยอิ่มไม่เคยพอในพระราชสมนาจพระองค์ยังคงเฝ้าฝันถึงการครอบครองโลกทั้งโลกอยู่สมอฉะนั้นบ้านเล็กเมืองน้อยเนี่ยพระองค์ไปตีอมาเกือบหมดสุดท้ายก็เหลือเมืองเมืองโกศลของพระเจ้าทีคีติโกศลนี่แหละที่ยังไม่ได้ตกเป็นเมืองขึ้นจึงยาตราทัพไปเมื่อยาตราทับไปก็ไปยึดเอาเมือง ของพระเจ้าทีคิติโกศลอย่างง่ายๆเลยเพราะระหว่างประเทศมหาอำนาจกับประเทศยากจนโลกที่สามนั้นมันแทบไม่ต้องรบแต่ถึงกระ น, นั้นพระเจ้าที่คิติโกศลก็รบนะเพราะพระองค์ทรงมีคติยมานะคติยะมานะก็คือความสําคัญมั่หมายว่าเราก็กษัตริย์เขาก็กษัตริย์จะให้มายอมกันง่ายๆได้ยังไง ทั้งสองนครจึงต่อยุดกันข้ามวันข้ามคืนไพร่พลและก็ประชาชนรากญาติล้มตายเกลื่อนกละพระเจ้าทิติโกศลกับพระชายาซึ่งเวลานั้นกำลังสงครญอ่อนอนเห็นว่าสู้ไปก็แพ้จึงตัดสินพระไทยทิ้งพระราชวังและประชาชนของพระองค์ หนีไปตายเอาดาบหน้าพระเจ้าพรมทัศนย์ยึดเมืองได้ง่ายๆแต่ก็ต้องเสียภัยผลไปพอสมควรทั้งสองพระนครพระเจ้าทีกิติโกศล น, นั้นทรงหลบเลี่ยงหนีรัชภัยไปอยู่ชายแดนปลอมเป็นชาวบ้านอยู่ที่โรงช่างมอทุกวันนี้ถ้าเราไปอินเดียนะเราก็จะเห็นบ้าน ที่เป็นบ้านนายช่างหม้อทำหม้อขายเยอะแยะพระองค์ก็สรงลีภัยไปปลอมปนอยู่ในหมู่ชุมชนชาวบ้านเป็นช่างหม้อคนหนึ่งและตรงนั้นเองที่พระชายาของพระองค์มีประสูติการพระอรรถพระราชทานชื่อว่าทีคาวุกุมานต่อมาช่างกระบกคือนายช่างทำผมส่วนพระองค์นะซึ่งลีภัยมาด้วยกันน อดอยากปากแห้งจึงนำความลับแห่งชาติไปขายว่าค้นพบที่ซอนของพระเจ้าทีกิติโกสันเนี่ยคนรักกันเนาะคนรักกันทำกันนี่มันเจ็บนะเอาความลับไปขายก็ได้เงินมาก้อนหนึ่งพระเจ้าประมุขทรงคนมาตามจับ พระเจ้าที่ขีติโกศลและพระชายาเธอสั่งให้กล้อนผมตีตรวนใส่ในกรงขังแห่ประจานเพื่อไม่ให้บ้านน้อยเมืองใหญ่เนี่ยเอาเป็นเรื่องอย่างใครกล้าเหือกับพารนณสีต้องเจออย่างนี้และเมื่อแห่ประจานจนถึงที่สุดแล้ว ก็รับสั่งให้ประหารประหารอย่างหดเห็นท่าเมนชาติมากน้องๆจินซีฮองเตะให้ห้าม้าแยกเราที่การุกุมาร น, นั้นแอบเดินตามเสด็จพ่อไปห่างๆระหว่างที่ตีคารุกุมาลแอบเดินตามเสด็จพ่อไปห่างๆนั้นพ่อต้องการจะสอนลูก ซึ่งเป็นปริชายานที่สำคัญมากเป็นโยคะทางวิญญาณพ่อบอกว่าที่เขาวุเอ๋ย่าเห็นแก่การยาวอย่าเห็นแก่การสั้นรักยาวให้บันรักยัน่นรักสั้นให้ต่อรักยาวให้บันรักสั้นให้ต่อพ่อก็พูดออกมาอย่างนี้ขณะที่อยู่ในกรงขังนั้น ทหารที่นำพระองค์ไปแห่เนี่ยก็คิดว่าสงสัยพระราชาแก่คนเนี้คงเพ้อแล้วพูดอะไรฟังไม่ได้เรื่องเลยรักยาวให้บ่นรักสั่นให้ต่อนี่ตาแก่มันเพ้ออะไรออกมาหารู้ไม่พระองค์ทรงต้องการศาลแห่งสันติภาพให้แก่พระโอรสองค์เดียวของพระองค์ที่คาวุเอย๋ย รักยาวให้บันรักสั้นให้ต่อพูดเพ้อไปเพ้อไปลองให้สยายผมจนครั้งเขากร่นผมหมดสิน้นก็ยังเพ้ออยู่บนตะแลงแกงคือหลานประหารก่อนจะประหารก็ขอพูดขอยกมือข้าขอพูดอะไรเพชรชกรัส ก, บกาบาวตาแกวันนี้มันวันสุดท้ายของแกแล้วจะพูดอะไรก็พูด ที่าวเอ๋ยอย่าเห็นเกยาวอย่าเห็นเกสั้นรักยาวให้บันรักสั้นให้ต่อพูดเสร็จก็เงียบพร้อมให้ประหารทั้งพระชายาเธอด้วยที่คำพูอยู่ในหมู่ชนที่พากันมามองดูการประหารครั้งสำคัญในคราวนั้นด้วยและ ถอดรหัสสมเด็จพ่อได้แต่ถึงแม้จะถอดรหัสสมเด็จพ่อได้แต่เนื่องจากพระองค์ยังทรงยาววัยเหลือเกินมันก็เป็นแค่ความจำไม่ใช่ความเข้าใจพระองค์ยังสุมไฟแค้นนั่นอยู่เต็มหัวอกและเฝ้ารอเวลาไปเรียนศิลปะการด็ดเพนให้ไพเรเพราะพริง้งคือถ้าไปแล้๋ยววอยก็หันสี่คนเลย ขึ้นท่อนแรกหันสี่คนนะเอ อ, โ, อโหมีฝีมือการร้องการเด็ดผินที่ไพเราะระดับต้นๆของปันดินฝึกไว้เฝ้ารอเวลาแล้วก็ไปทำงานสื่อประาชการลับของฝั่งพระเจ้าพรหมทัตทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยไปขอข้อมูลจาก CIA บ้างเจมส์บอลบ้างนะเก็บไว้ในคลังข้อมูล แล้วันหนึ่งก็ปลอมตัวเข้าไปอยู่โรงเลี้ยงช้างมีฝีมือในการทอดหญ้าให้ช้างกินเขาเรียกว่าไปตะพุ่นหญ้าช้างนะไปทอดหญ้าให้ช้างกินเนื่องจากคนมีฝีมือไปอยู่ไหนก็รุ่งคนมีฝีมือนี่เก่งเรื่องเดียวก็รุ่งเหมือนคงจื้อบอก ถ้าให้ข้าพเจ้าไปอยู่คลังคลังหลวงก็ต้องเต็มไปด้วยเงินตราถ้าให้ข้าพเจ้าไปเลี้ยงมา้าม้าก็ต้องอ้วนเห็นไหมเขาเก่งไปอยู่ตรงไหนตรงนั้นรุ่งโรจน์ชตนาที่กัฟุกุมาเนี่ยไปทําหน้าที่ตับพุ่นย่าช้างอยู่ในโรงช้างหลวงเพราะกฏว่านายหัตถาจารย์คือควานช้างก็ชอบช้างก็รักนะทอดอยญาให้ช้างกินอาบน้ําให้ช้างแต่ละวันพอว่างๆก็หยิบเพนขึ้นมาเล่น เย็นวันหนึ่งหยิบเพินขึ้นมาบรแเลงเราก็ขับด้วยเสียงเพลงขับนั้นกล้องกลางวานเน้าไปถึงพระราชฐานชั้นในพระเจ้าพรมทัตก็ถามว่าใครดีดเพินและขับร้องไพเราะเหลือเกินไปตามมาสิเสียงขนาดนี้มันต้องไปไม่ทองคำ ไม่งั้นก็เดวิฟไม่งั้นก็อินเดียนก็ทาเล่นไปสักเวทีหนึ่งก็ไปเรียกมาเรียกมาหนึ่งแล้วก็ให้เล่นให้ฟังปรากฏว่าทีคาวุกุมานั้นเฟมเมอร์ดีมากพระราชาปโปรดมากโปรดกล้าให้เลื่อนตำแหน่งจากนายตับพุ่นย่าช้างขึ้นมาเลยมาเป็นมหาดเล็กอยู่ในวังหลวงแล้วไม่ต้องทำอะไร เด็ดพินและขับร้องให้ฟังก็พอหลังจากส่งงานเหน็ดเหนื่อยมาตลอดทั้งวันะตอนเย็นเย็นเมื่อถึงเวลาสเสวยพระกาหารค่ำที่กวุกุมารก็เล่นเล่นพินแล้วขับร้องให้ฟังพระองค์ก็ทรงสําราญบานพระไัยมากเลื่อนจากมหาเล็กด็ดพินนะขึ้นมาเป็นต้นห้องเลยต้นห้องก็คือประจําห้องบรรทมนะทรงก็หลับทรงก็นอนเนะี่ย ทีคขาวุกุมารได้ทำหมดเลยก่อนจะนอนก็ไปเช็คความเรียบร้อยของเตียงบรรทมตื่นนอนก็เช็คความเรียบร้อยของเตียงบรรทมถวายน้ําสงตามเสด็จไปทุกหอนทุกแห่งเรียกว่าตำแหน่งเนี่ยขึ้นเร็วมากพรวดพราดเลยทีเดียวเห็นไหมต่อมามีอยู่วันหนึ่งที่ขาบุก็คิดว่านี่เราก็เข้ามาถึงห้องบรรทมแล้วใกลจนไม่มีใครใกล้ได้มากกว่านี้แล้วเอาล่ะ ต่เวลาชำระแค้นให้พ่อแม่แล้วมันต้องตาต่อตาและฟันต่อฟันความแค้นมีไว้ให้ชำระที่คารวูุมาลนั้นเฝ้าครุ่นคิดถึงแผนการทั้งคืนทั้งวันคิดว่าจะสังหารพระองค์ท่านยังไงโอกาสไม่ต้องพูดถึงโอกาสนั้นดังราชรถมาเกยแล้วแต่แผนสังหารมันต้องเนียนแน่นหนึ่งใช่ไหม เดี๋ยวนิสสิงมันชนเยอะถ้าไม่เนียนเนี่ยถูกประจานได้มีคนสืบเยอะไม่ใช่แค่ปปชนะสืบมนชนเยอะคิดยังไงก็คิดไม่ตกว่าถ้าสังหารแล้วจะหนียังไงใช่ไหมสังหารได้แต่คงหนีไม่ได้สุดท้ายแผนสังหารในห้องบรรทมจึงไม่เกิดเขารอยอปีต่อมาจนกระทั่งพระราชาไปประพาสป่าราสัต เขาขับรถมาด้วยความเร็วและเร่งสูงสุดจนทำเอาพระองค์ท่านนั้นพลัดออกจากมมนายทหารราชงครักษ์ทั้งปวงหลุดเข้าไปในป่าดงเด็บไม้ใหญ่ไพ ร, ระหงสูงตรงานเงียบเกร็บแทบไม่มีเสียงนกเสียงกาแต่มีความสดชื่นรื่นเย็นของน้ำตกเท้าเธอนั้นทรงเหนื่อยมาก เมื่อมาไกลเหลือแสนถามทีคาวุว่าเมื่อไรเราจะค้นพบทางออกทีคาวุก็บอกว่ารองพักก่อนเถิดเดี๋ยวหม่อมฉันจะไปหาทางออกมาให้ระหว่างนี้เท้าเธอบรรทมนั้นนะทีคารุก็นั่งพิงต้นไม้ใหญ่ใช้ตักของตัวเองตางหมอนให้พระเจ้าพรหมทัตบรรทมลงบนที่ตักของตัวเองพอเท้าเธอบรรทมแล้วก็กลนออกมาเนี่ยทีคาวุรู้แล้วว่าเอาละ ไอ้ศัตรูของเราหลับสนิทแล้วจะมีโอกาสไหนงามกว่านี้เป็นไม่มีแล้วเงื้อพระแสงขันนะซึ่งเดบมาด้วยเงื้อพระแสงขันใช้สีที่สืบมาแต่สมัยสมเด็จพ่อนะออกมาใจชายพกเงื้อขึ้นมาแล้วจะเชือดพระสอ พอเงื้อขึ้นมากําลังจะเชื่อดนะคําสอนของสเสด็จพ่อก็ลอยมาเข้าหูที่ขาวุอย่าเห็นกรยาวอย่าเห็นกรสั้นนะลกูกรักยาวให้บันรักสั้นให้ต่อนะลูกนะพอคิดขึ้นมาได้อย่างนี้ปั๊บทําไม่ลงรักยาวให้บันรักสั้นให้ต่อเน็บเน็บพระแสงไว้ผ่านไปห้านาที จิตมันสอนจิตอีกแล้วว่าเจ้าโง่โอกาสดีอย่างนี้จะหาได้ที่ไหนถ้าแกไม่ทำตอนนี้พระเจ้ารถคงไม่มาเกยขนาดนี้หรอกนี่มันในป่าในดงในดอยนะถ้าแกทำสำเร็จใครมันจะรู้จึงเงื้อพระแสงการขึ้นใหมจะเชื่อคำสอนพ่อรอยมากแล้วลูกรักยาวให้บันรักสั้นให้ต่อนะลูกนะเนบ พระแสงขันชัยสีเข้าที่จิตมันก็สอนจิตในจิตของคนเราจิตหนึ่งแต่มีสองคุณภาพคุณภาพหนึ่งเป็นเทวาและคุณภาพหนึ่งเป็นสาธานนักบุญและคนบาปอยู่ในตัวเราทรมะและอารทมอยู่ในตัวเราเราต้องฝึกจิตฝึกกายฝึกใจให้ธรรมะ ยึดครองพื้นที่ในจิตใจของเราให้ได้มากที่สุดเพราะถ้าเราปล่อยเอาไว้อธรรมก็จะครอบครองพื้นที่ในจิตใจของเราฉะนั้นธรรมมาธรรมมสงครามนั้นอยู่ในใจเราที่ขาวุกุมานก็เหมือนกันในพระแสงขันรอบที่สองแล้วจิตฝ่ายอาธรรมซาตานมันก็สอนอีกว่าไองโง่เอ้ยแกก็เห็นไม่ใช่หรือว่าเขาทํากับบ้านกับเมืองแกยังไง เสด็จพ่อเสด็จแม่ของแกน่ะลำบากขนาดไหนเป็นเจ้าอยู่ดีๆตอนนี้ต้องพลัดที่นาคาที่อยู่เนี่ยถูกเขาฆ่าเขาแกงเจ็บช้าน้ำใจร้องไห้น้ำตาแทบจะเป็นสายเลือดจ้าเสียทั้งพ่อจะเสียทั้งแม่เสียงทั้งเสียทั้งตระกูลวงพงษาพลัดที่นาคาที่อยู่และตอนนี้ประชาชนของเจ้าก็เป็นทาสเขาก็มีเจ้าคนเดียวที่จะชาระแคนได้ ถ้าเจ้าไม่ทำแล้วใครจะทำแล้วต้องทำตอนนี้ now or never uh huh. นี่มันมีมาต really? ั้งแต่สมัยโน้นแล้วนะที่กับพูกก็คิดหนักอ่ะเพราะจิตใต้สำนึกมันมันรบกันอยู่ หยิบพระแสงขันเจริขึ้นมาครั้งที่สามเงือ้อีอกกำลังจะเชิดคำสอนสมเด็จพ่อก็ามายแล้วลูกเอ๋ยอย่าเห็นแก่การยาวอย่าเห็นแก่การสั้นรักยาวให้บันรักสั้นให้ต่อนะลูกนะขณะที่กำลังเงื้อครั้งที่สามและจิตได้สำนึกฝ่ายดีฝ่ายชั่วกำลังรมรานพันตูนั่นเองนาทีนั้นพระเจ้าพรหมทัตฝันร้าย พระองค์ทรงสุเบนว่าถูกศัตรูโมปัจจามิตรไล่เข็นข้าราวีและกำลังเงื้อดาบจะบรนพระสอพระองค์อยู่นาทีนั้นแล้วพระองค์สะดุ้งเฮือกตื่นขึ้นมาเห็นธีคาวุเงื้อพระแสงค้างอยู่ตกใจมากตะโกนถามว่าพ่อพ่อจะทำอะไรนี่เราฝันร้ายมากเลยนะธีคาวุก็บอกว่าพระองค์ไม่ได้ฝันหรอก หม่อมฉันจะบันพระสวพระองค์อยู่นี่แล้วเอา้าแล้วนี่มันเรื่องอะไรที่กาวุกก็เล่าว่าขออภัยเถิดมหาบพิตรแท้ที่จริงหม่อมฉันไม่ใช่นายแต่พุ่นแย่าช้างธรรมดาหม่อมฉันคือราชโอรสของพระเจ้าทีคีติโกสนที่พระองค์ทรงสังหารผลานชีวิตนั่นแหละเอา้านี่เธอเป็นลูกศัตรูหรือแล้อทำไมเธอไม่ฆ่าฉันซะล่ะ มัมฉันกําลังช่างใจอยู่และเธอช่างใจว่าอย่างไงมัมฉันก็ช่างใจอยู่ว่าจะฆ่าพราะองค์นี่ครั้งที่สามแล้วที่มัมฉันเงื้อดาบขึ้นมาทําไมเธอไม่ลงมือมัมฉันคิดถึงคําเสด็จพ่อเสด็จพ่อบอกว่ารักยาวให้บันรักสั้นให้ต่อหมายความว่าไงอะรักยาวก็หมายความมาถ้ารักจะจองเวรกันยาวๆทุกภพทุกชาติไม่จบไม่สิน้น ก็บันเลยถ้าหม่อมฉันบันพระสอของพระองค์พระองค์ก็คงจะผูกอาฆาตตามมาราวีเป็นเจ้ากรรมในเวรหม่อมฉันไปทุกภพทุกชาติห่วงโซ่แห่งเวรและกรรมของเราทั้งสองคงจะไม่จบไม่สิน้นและคงจะยืดยาวออกไปนับแสนนับล้านชาติภพนี่คือรักยาวให้บันส่วนรักสั้นให้ต่อหมายความว่าถ้าอยากจะให้เวรกรรมนั้นมันสั้นลงมันจบลงที่นี่และเดี๋ยวนี้ จงดีต่อกันเข้าไว้จงดีต่อกันเข้าไว้เหมือนกวีแต่โบราณท่านบอกผ<อ>ูกเสน่หชิดเชื้อนั้นเหลือยากถึงเหล็กฟากผูกไว้ก็ไม่มั่นแม้นจะผูกด้วยมนแสกลงเลกยันก็ไม่มั่นผูกไว้ด้วยไม้ตรีเหมือนสุนทรูพูดไว้ปรารถนาสารพัดในปัตตพี เอาไมตรีแลกได้ดังใจจงหม่อมฉันมาคิดถึงคำของโบราณราชบัณฑิตแล้วบั่นพระสอพระองค์ไม่ลงรักยาวให้บัน่นถ้าหมายจะจองเวรจองกรรมกันแปนับแสนนับล้านชาติที่พบเกิดชาติไหนก็ชาตินั่นเจอกันเป็นโกรธเกลียดชิงชังแม้ไม่เคยทะเลาะแค่เห็นหน้าแค่เห็นหลังแค่เห็นท้ายถอยแค่ได้ยินเสียง ก็โกรธก็เกลียดก็งงงเงดก็จริงชังก็ข้างแค้นหมายจะสังหารผลาญชีวิตบางครั้งแทบไม่มีเหตุผลนั่นคือแรงเวรแรงกรรมที่เราทําต่อกันมานานนับแสนนับล้านชาติทพบส่วนรักสั้นให้ต่อ น, นั้นสมเด็จพ่อข้องหมายใจว่าถ้ามอมฉันกับพระองค์อยากให้เวรให้กรรมระหว่างคนรุ่นพ่อรุ่นแม่เหมือนสมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่ของโรมโอและจูเลียส ให้มันจบจบลงก็ให้เดย์ต่อกันไหว้บัดนี้หม่อมฉันตัดสินใจแล้วหม่อมฉันจะบั่นความแค้นและจะต่อไมตรีกับพระองค์พระองค์จะออกวีซ่าไมาตรีให้หม่อมฉันไหมพ่อพระเจ้าพระมทัยได้เย็นอย่างนี้แล้วก็บอกว่าลูกเอ๋ยสมแล้วที่เธอเป็นลูกปราราชบัณฑิตพ่ออยากมีลูกอย่างเจ้าสักคนหนึ่ง ที่ดาของพ่อก็ยังไม่ออกเรือนเอางี้มาเป็นลูกของพ่อเถอะแล้วพ่อจะลืมซะว่าวันนี้ลูกกําลังจะทําอะไรพ่อขอพระราชทานอภัยโทษให้เจ้าที่หมิ่นพระบรมเดชานุภาพถึงสามครั้งสามคนแล้วพ่อก็ยกโทษให้พ่อด้วยที่คารุก็บอกว่ามหาบาพิษพระองค์เอาหม่อมฉันมาชุบมาเลี้ยงพระองค์ก็เหมือนพ่อหม่อมฉันแล้วหม่อมฉัน พัศน์ที่นาคาที่อยู่เป็นสามัญชนคนหนึ่งพระองค์ยังเก็บมาชุบมาเลี้ยงรักเหมือนลูกจริงๆพระคุณครั้งนี้ก็ล้นเกตล้นเกล้านักความแขมประดามีนั้นก็เป็นเรื่องของพระองค์กับคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ของมอมฉันส่วนมอมฉันกับพระองค์นั้นในเวลานี้ไม่เคยกรธเกลียดชิงชังกันเลยอดีตจะเป็นยังไงแต่มันก็ผ่านไปแล้วมอมฉันขอสร้างอนาคต ร, ร่วมกับพระองค์ดีกว่า พาอต่างคนต่างก็อาภัยให้กันและกันแล้วเนี่ยทั้งสองก็รู้สึกเป็นอิสระเหมือนดังหนึ่งสายโซ่แห่งการจองเวรจองกรรมนั้นถูกราดรถดด้วยน้ำกรดที่ทรงประสิทธิภาพยิ่งมันได้ขาดผึงลงนาทีนั้นแล้วทั้งสองคนนั้นรับกันและกันเป็นพ่อลูกบุญธรรมพ่อกลับมาปับ๊บหลวงก็ปรดสถาปนา ให้ทีคาวุราชกุมาร น, นี้เป็นรชาชธยาตและจัดพิธีเสกสมรสให้ทีคาวุราชกุมารกับพระราชธิดาของพระองค์และโปรดให้ไปครองเมืองเก่าอันเป็นสิทธิ์ควรได้ของทีคาวุราชกุมารและต่อมาเมื่อพระเจ้าพระมทัศจ์สิ้นพระชนทีคาวุก็กลับมากินตําแหน่งเจ้าเมืองพาราณสีซึ่งเป็นประเทศมหาอำนาจอีกตําแหน่งหนึ่ง อันนี้คือผลของการปล่อยวางความแค้นทำให้ทีขาุราุกมุมารประสบความสำเร็จอย่างชนิดที่พระองค์ก็คาดไปไม่ถึงเราลองจินตนาการในทางกลับกันว่าถ้าทีคาวุกมุมารไม่ฟังคำพ่อบรรคอพระเจ้าพรหมทัตพระเจ้าพรหมทัตก็ต้องแค้นและออกไปก็ต้องเจอกับนายทหารราชองครักษ ข้าวุ้ราชกมันก็จะถูกโปรงพระชนแล้วก็จะต้องชิงชังข้างแขนกันสืบไปไม่จบไม่สิ้นเรามีเสร็จที่จะเลือกให้นาวาแห่งชีวิตของเราหันหัวไปหาฝั่งแห่งความรักไมตรีจิตมิตรภาพสันติภาพและสันติสุขก็ขได้หรือ เราจะเลือกให้นาวาแห่งชีวิตของเรานั้นหันหัวไปทางความเกลียดชังความแบ่งแยกความใจแคบความดูหมิ่นหยัดยมความแค้นความโกรธความรุนแรงความมากั้นพยาัติและสงครามเราทุกคนมีสิทธิ์เลือกเราจะเลือกอย่างไร เรานี่แหละเป็นผู้เลือกไม่ใช่พระพรหมไม่ใช่เทพสูงสุดที่ไหนมากำหนดให้เราเราเป็นฝ่ายเลือกต่อให้เราถูกกระทาย่าเยอย่างเจ็บช้ำน้ำใจที่สุดเราก็ยังเป็นฝ่ายเลือกได้อยู่นะบางคนอาจจะบอกว่าไม่ได้หรอกพระอาจารย์เขาทำโยมขนาดนี้ยังไม่มีทางเลือกมันต้องโกรธมัน อาจารย์จะให้มาอภัยให้มันถ้าอภัยให้มันอย่างเงี้ยหมายความว่าไงอ่ะมันก็ชนะเราสิ <S <S คนส่วนใหญ่คิดอย่างนี้นะนี่คือวิธีคิดติดกับดักไม่ขวาก็ซ้ายไม่บวกก็ลบไม่โกรธก็รักไม่สันติสุขก็รุนแรงโลกทั้งโลกมีวิธีคิดแบบนี้นะเขาเรียกว่าดูเอาลิตคือวิธีคิดแบบสองฝักสองฝ่ายไม่ขวาก็ซ้ายไม่บวกก็ลบไม่ สูงก็ต่ำไม่รักก็เกลียดไม่สันติสุขก็สงครามไม่พวกเราก็พวกเขานี่คือวิธีคิดที่ผิดพลาดของโลกใบนี้พุทธศาสนาเนี่ยนำเสนอทางสายกลางทางสายกลางก็หมายความว่าจงพิพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเป็นองค์รวมอย่าติดกับดักของความเป็นฝักเป็นฝ่ายในเมืองไทยของเราก็เป็นอย่างนี้เราถึงติดกับดักเราถึงออกจากกับดักความรุนแรงไม่ได้เพราะ เร า, าคิดว่าถ้าไม่สีนี้ก็สีนั้นไม่พวกเราก็พวกเขาถ้าไม่อภัยก็สงครามอยู่กันไม่ได้ก็ไม่ต้องอยู่เราแทบไม่เคยโจทย์คือทางสายกลางเลยนะเราแทบไม่เคยพิจารณาโจทย์คือทางสายกลางเลยสมเด็จพ่อของเราคือพระพุทธเจ้าสอนอะไรสอนทางสายกลางทางสายกลางคือยังไงอะ คือทางที่พิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างยังเป็นองค์รวมการที่ทีขาวุแค็งไม่ใช่เพราะว่าเกิดมาก็แข็งเลยเนลสันแมนเดลาบอกว่าการที่เราจะเกลียดใครใคนใดคนหนึ่งนั้นเราต้องถูกสอนให้เกลียดหรือถูกล้างสมองให้เกลียดจู่ๆความเกลียดนั้นจะคลอดออกมาพร้อมกับตัวคุณตั้งแต่แรกเกิดมันเป็นไปไม่ได้ก็ในเมื่อมนุษย์เราเนี่ย สามารถถูกสอนให้เกลียดชังซึ่งกันและกันได้ทำไมเราจะไม่ถูกสอนให้รักได้และโดยธรรมชาตินั้นมนุษย์รู้เรียนรู้ที่จะรักได้ง่ายกว่าเรียนรู้ที่จะเกลียดชังเราทุกคนนั้นมีทางเลือกเสมอแต่เราต้องมีทักษะในการเลือกเราต้องติดตั้งโปรแกรมในการเลือกนั้นไว้ในจิตในใจของเราสะกก่อนอะไรคือโปรแกรมที่ว่านั้นโยคะภาวนา โยคะภาวนาคือการเจเริญสติเราต้องมันเจเริญสติบ่มพ่อมเมล็ดพันธุ์แห่งสติขึ้นมาในจิตในใจเราพอเมาพอเรามีมาเมล็ดพันธุ์แห่งสติในใจเราและมันได้รดน้ําผ่อนเดินทุกวันทุกวั น, ท, ว น, ท, วนทุกวันด้วยโยคะภาวนาพอเราเรียนโยคะเนี่ยเราเจเริญสติใช่ไหมคุณคุณไม่มีสติในโยคะก็สูญเปล่านะโยคะแยกออกจากสติไม่ได้ ถ้าคุณยกมือยกม้เหยียดมือเหยียดเท้าถ้าคุณไม่มีความรู้ตัวคุณไม่มายโฟนสคุณไม่มีความตื่นเต็มตัวอยู่ในนั้นโยคะเป็นได้อย่างดีก็แค่นาตลีลาชนิดหนึ่งเป็นแค่ท่วงทีดีลาของกายภาพแต่ไม่ส่งผลต่อความสูงส่งทางวิญญาณฉะนั้นโยคะภาวนาทางกายภาพโยคะ ภาวนาทางจินตภาพต้องไปได้วยกันซึ่งฝึกไปฝึกไปวันหนึ่งเราจะสามารถตื่นรู้ขึ้นมาได้มันเป็นเรื่องเดียวกันเช่นเดียวกันคนที่ตื่นรู้ขึ้นมาแล้วเนี่ยต่อให้ถูกบียว่าคุณไม่มีทางเลือกนะท่านก็ยังเลือกได้อยู่เมื่อองค์ดาลัยลามะถูกไล่ต้อนจนต้องลี้ภัยออกมานักข่าวต่างประเทศไปจ่อไม่สัมภาษณ์พระองค์ท่านว่าต้เท้า ในคืนวันที่พระองค์ถูกไล่ต้อนจนต้องหลบเลี่นหนีภัยสงครามออกมานั้นพ ร, ระชนกครรของพระองค์เสียชีวิตทั้งหมดทหารของพระองค์ที่ตามมานั้นเสียชีวิตทั้งหมดเขาส่งพระองค์พ้นพรมแดนแล้วก็เข้ามาสู่ประเทศลกที่สามได้สําเร็จทุกคนกลับไปเพื่อปกป้องพระองค์มีพระองค์รอดคนเดียวถามน่อยเถิดว่าในคืนวันเช่นนั้นพระองค์กลัวไหม พระองค์ตอบว่าคุณเราก็คนนะทาไมเราจะไม่กลัวนะักข่าวคนนั้นสีหน้าผิดหวังนิดหน่อยเขาไม่คิดว่าพูดนำท้งจิตวิญญาณระดับโลกจะกลัวตายพระองค์ท่านกลัวตายด้วยหรือเปล่ า, าที่เรากลัวเนี่ยกลัวจะเผอใจไปเกลียดศัตรูเขาสักวันหนึ่งไม่กลัวว่าตัวจะตายแต่กลัวว่าจะเกลียดศัตรู นี่คือวิธีคิดของพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์นั้นรักทุกคนแม้กระทั่งคนที่เป็นศัตรูพระพุทธองค์ก็สงสอนให้เรารักศัตรูนะ love your enemies จงรักศัตรูเพราะเขาเป็นครูของเธอศัตรูนะสอนเราได้ดีกว่าคนที่รักเราคนที่อิจฉาเราสอนเราให้สู้นะเราจับเราทำอะไรพอเราเด่นขึ้นมามันอิจฉาเราเราก็ต้องบีบตัวเองให้ฝึก เกี่ยวกรัมให้มันเข้มข้นเพื่อจะได้ไปพ้นจากพวกคนที่อิจฉาริษยามีคนกี่คนแล้วที่ได้ดีเพราะความริษยามีคนกี่คนแล้วที่เป็นมหาเศรษฐีเพราะว่าเกิดมาจนแล้วอยากเอาชนะความยากจนมีคนกี่คนแล้วที่ตกมินยามแล้วลุกฮึดขึ้นมาว่าวันนี้แกยามฉันได้แต่วันหน้าไม่ใช่มีซูเปอร์สตาร์กี่คนของโลกแล้วที่ประสบความสาเร็จเพราะถูกกลั่นแกล้งเกลียดชงัง โดเมนศักดิ์สิทธิ์ฉะนั้นเราควรจะรักศัตรูเพราะศัตรูนั้นเป็นครูฝึกชั้นยอดของเรานะองค์ดาลามะท่านสอนว่ากลัวสิแต่ไม่ได้กลัวตายกลัวว่าจะควบคุมหัวใจตัวเองไม่ได้กลัวจะรักศัตรูกลัวจะโกรธศัตรูเราต้องไม่โกรธศัตรูเพราะศัตรูนั้นเป็นครูของเราและเมื่อพูดถึงที่สุดศัตรูไม่ใช่คนที่น่ากลัว ที่แน่กลัวคือความไม่รู้ซึ่งแฝงและฝังอยู่ในจิตวิญญาณของเราทุกคนนี่สิเราเกิดมาเป็นคนเหมือนกันทั้งหมดใช่ไหมโดยศัจธรรมพื้นฐานมนุษย์นั้นรักกันได้ง่ายมากเพราะเรารักสุขเรากลัวความตายเราเกลียดความทุกข์ใช่ไหมรักสุขเกลียดทุกข์กลัวความตายเป็นสัจธรรมพื้นฐานที่มีอยู่ในจิตวิญญาณของเราทุกคน ฉะนั้นโดยธรรมชาติพื้นฐานมนุษย์ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้กลัวเกลียดชิงชังและทำสงครามต่อกันที่เราทำเช่นนั้นเพราะเราไม่รู้ฉะนั้นเราอย่า ก, กลัวเกลียดชิงชังคนที่เขาหลงเพลดคนที่หลงเพลิดนั่นละ่ะถ้าได้รับการแนะนำพร่ำสอนที่ถูกต้องมีครูที่ดีพอเขาเปลี่ยนตัวเองได้เม<ร>ื่อพระองค์ท่านบอกว่าอาตมาไม่ได้กลัวตายอาตมากลัวว่าจะเกลียดศัตรูก็สักวัน เป็นคำพูดที่ไพเราะที่สุดและน่าเรียนรู้ที่สุดพวกเราฝึกอย่างนั้นได้ไหมการรักคนที่น่ารักเป็นเรื่องง่ายมากเห็นคนนี้น่ารักอ๋อเดี๋ยวต้องขอหลายเลย <c oughs> หรักคนน่ารักมันเป็นเรื่องง่ายรักคนที่ไม่น่ารักเป็นเรื่องยากแต่ใครทำได้อันนั้นคือสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งในชีวิตของคนเราในชาดอก มีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งที่ดีมากชื่อขันติวาทีดาบทนะพระเอกชื่อขันติว า, าทีดาบทดาบทองค์นี้หรือนักบวชองค์นี้ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีขันติธรรมทที่โดดเด่นที่สุดในแผ่นดินจนเดชาบรารมีของดาบทคนนี้เป็นที่เรื่องเลือไปทั่วทั้งแผ่นดินพระราชา ได้ยินข่าวนี้ก็รู้สึกว่าดาบดทคนนี้ปล่อยไว้มันจะมาเบียดรัดสมยเรามันแสบหูแสบตาเรามันมีชื่อเสียงกว่าเราซึ่งเป็นเจ้าแผ่นดินได้ยังไงวันหนึ่งจึงญาติระทับไปหาดาบดทถามว่าดาบดทท่านเนี่ยเรื่องชื่อทางความอดทนดูเสือจะทนได้ไหมให้ทหารหารจับดาบดทมัดตัดหูตัดจมูก ตัดมือตัดเท้าดาบดก็ยังทนได้สุดท้ายพระราชาบอกเราจะควักหัวใจเจ้าดูซิว่าเจ้าจะยังทนได้ไหมดาบดก็บอกว่าพระราชาเอ๋ยพระรองค์หาความอดทนของเราผิดที่แล้วพระรองค์ตัดแขนเราตัดขาเราตัดหูเราตัดจมูกเรา เพื่อจะค้นหาว่าความอดทนของเราอยู่ที่ไหนพระองค์กำลังค้นหาความอดทนของเราผิดที่ทำอย่างนั้นจนตายพระองค์ก็จะไม่เข้าใจคำว่าอดทนหรอกที่เราทนได้มันเป็นเรื่องของใจใจของเราตัางหางที่อดทนถ้าพระองค์จะหาความอดทนไม่ใช่มาหาที่ตัวเราแต่ต้องหาที่ใจของเราซึ่งก็เป็นใจดวงเดียวกันกับของพระองค์นั่นแหละ พระองค์ก็มีความอดทนอยู่เราก็มีความอดทนอยู่เราต่างคนต่างก็มีโปรแกรมที่ชื่ออดทนอยู่ในตัวแล้วแค่มันไม่ถูกตระหนักรู้เท่านั้นเวลาที่เราถูกด่านี่คือเวลาที่เราต้องอดทนนะแต่คนส่วนใหญ่ทนไหมเวลาถูกด่าเราเคยเราเคยเปิดโปรแกรมตัวนี้ไหมพอถูกด่าปุ๊บเราต้องด่าตอบมันเลยเนี่ย โปรแกรมตัวนี้มันมีอยู่แล้วธรรมชาติติดตั้งให้แล้วเวลามันดูถูกเราวเราต้องไปค้นโคดเงาสกสาชมันมาแล้วแฉมันให้หนักกว่าที่มันแฉเราทำไมเราไม่ทนเวลาที่เราถูกเข้าใจผิดแทนที่เราจะทนก่อนเราก็โกรธเวลาที่เราเป็นทุกข์แทนที่เราจะทนก่อนเราก็ร่วมมือกับความทุกข์เป็นส่วนหนึ่งของมัน เห็นไความทุกข์เกิดขึ้นมาเนี่ยเรานี่โอโหใจดีจังเลยนะยินดีชัแห่งกับความทุกข์โอเคเราเป็นพวกเดียวกันเวลาเขาด่าเราเราพร้อมด่ากลับเวลาเขาหมิ่นเราเราพร้อมหมิ่นกลับเวลาความทุกข์เกิดขึ้นมาเราพร้อมจะทุกข์กลับใครโยนความทุกข์ใส่เราเรากระโดดรับทันทีแล้วก็มาร้องพี่โอ๋พี่โอยว่าทําไมชีวิตมันทุกข์เหลือเกินธรรมชาติติดตั้งโปรแกรมแห่งเมตตาและไมตรีเอาไว้ ติดตั้งโปรแกรมแห่งความอดทนเอาไว้ติดตั้งโปรแกรมแห่งความรักเอาไว้ติดตั้งโปรแกรมแห่งความสุขเอาไว้ติดตั้งโปรแกรมแห่งสันติภาพเอาไว้แล้วทําไมพวกเราถึงลืมสิ่งดีๆเหล่านี้ไปเสียทั้งหมดฉะนั้นวันนี้เรามาเรียนโยคะภาวนาเราจะต้องมาช่วยกันลดนะพลเดินโปรแกรมแห่งความสุข ซึ่งมีอยู่อย่างล้นเหลือเฟือไฟายในจิตในใจของเราให้ตื่นรู้ขึ้นมาแล้วมันรดน้ำพรวนดินและโปรแกรมดีๆเหล่านี้จะเจริญเติบโตจนกระทั่งวันหนึ่งเราใช้ความเกลียดชังกับใครไม่ได้เราใช้ความรุนแรงกับใครไม่ได้เราไม่อาจแบ่งแยกใครออกจากตัวเราได้เรามองเห็นโลกทั้งโลกว่าเป็นพี่น้องกันฝึกไปให้ได้อย่างนี้พระาจาพระองค์นั้นก็เช่นเดียวกัน เมื่อดาบด์กำลังจะเปิดหูเปิดตาพระองค์ว่าพระองค์กำลังสแสวงหความอดทนพิดที่แล้วมันอยู่ที่ใจพระองค์ก็บอกถ้าอยู่ที่ใจงั้นก็ต้องค้นลงไปที่ใจสั่งให้ทรมานดาบดก่อนจะดาบดจะสิ้นชีวิตดาบดทําในสิ่งซึ่งประเสริฐเลื่ล้ามากเลยดาบดพูดขึ้นมาว่าพระราชาพระองค์ใดไม่เคยรู้จักเรามาก่อน ไม่เคยโกลธเกลียดชิงชังเรามาก่อนเราก็เช่นกันแต่ถึงกระนั้นพระองค์ก็สั่งให้ลงโทษลงทานกับเราจนถึงแก่ชีวิตบัด น, นี้เราเองก็จะสิ้นชีวิตอยู่นี่แล้วแต่อย่างไรก็ตามเถิดพระราชาพระองค์ไหนที่ใช้ความรุนแรงกับเราบัด น, นี้เราขออำนาจบุญญาบารมีที่เราบำเพ็ญมาทั้งหมดจงอํานวยอวยพรให้พระองค์พร้อมกับข้าราชบริพารทั้งหมดมีชีวิตที่ร่มเย็นเป็นสุข หายจากโรคคาพยาธิมีความสดิดเสถียนสำรานในราชบัลลังก์ตราบนานเท่านานเทอร น, นี่พระราชาได้ฟังอย่างนี้แล้วโอ้ความเกลียดชังของพระองค์นั้นอันตรธานเลยพระองค์รู้สึกขึ้นมาว่านี่มันอะไรกันในราชธานีของเราอ่ะยังมีคนที่เปลี่ยนไปได้วยความรักถึงเพียงนี้หรือ เราทำถึงเพียงนี้ไม่เพียงไม่โกรธแต่ยังอำํำนวยอวยพรให้เราอีกต่างหากโอ้นี่เราผิดต่อท่านผู้ทรงศีลเหลือเกินพอกลับถึงพระราชวังแม่นานก็ตรอมพระทัยสิ้นใจไปด้วยความรู้สึกผิดเห็นไร้อยังเราทุกคนนั้นอดทนได้เราทุกคนนั้นรักคนอื่นอย่างที่เราสามารถ ไม่อาจจะประเมินได้ว่าตัองจะรักได้ขนาดนั้นคือรักคนทั้งโลกก็ได้นะแต่สิ่งดีๆเหล่านี้เราไม่ตัวหนักรู้เราเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่แข่งแย่งแข่งขันชิงดีชิงเด่นเอารัะเอาเรียบแล้วรั้มๆจะมีสงครามกลางเมืองก็หลายครั้งแล้วทอดตามองดูโลกของเราในเวลานี้มันเกิดอะไรขึ้นเทคโนโลยีที่อยู่ในมือของเรานั้นพัฒนามาถึงจุดที่เรียกว่าเกือบจะสูงสุดอยู่แล้วทําไม เทคโนโลยีทางจิตวิญญาณของเราถึงไปไม่ถึงไหนฉะนั้นเราจะต้องพัฒนาจิตใจของเราให้ตามทันความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุเราต้องเพิ่มเมตตาและไมตรีความรู้และความรักสันติภาพและสันติสุขลงไปในจิตในใจของเราให้เยอะๆจนกระทั่งถ้าเรามีสิ่งนี้เต็มเปี่ยมเราจะกลายเป็นหน่วยสันติภาพเคลื่อนที่ เขาจะเป็นหน่อยสันติสุขเคลื่อนที่ไปอยู่ใกล้ใครๆก็ทำให้คนนั้นสดชื่นรื่นเย็นก่อนจะลาจากกันเขาก็รู้สึกว่าโอ้มีความสุขจังเลยเป็นสิริมงคลจังเลยได้มาอยู่ใกล้ๆคนนี้ทำไมมันดีอย่างนี้ให้ทุกคนที่มาหาเราพูดอย่างนี้ก่อนกลับนะอย่าให้ใครพูดว่าฉันจะจ้แหละคนคนนี้มาใกล้ฉันห้านาทีมันพ่นอะไรใส่หูฉันหูดับเลยอย่าให้ใครมาพูดกับเราอย่างนี้ ให้ทุกคนที่มาเจอเรารู้สึกเป็นมงคลกับชีวิตและพูดขึ้นมาว่าครั้งหนึ่งในชีวิตฉันรู้สึกเป็นมงคลเหลือเกินที่ได้มารู้จักคนนี้ฉันรู้สึกดีกับชีวิตเหลือเกินฉันรู้สึกว่าฉันไม่พลาดอะไรแล้วในชีวิตที่ฉันได้มาเจอคนอย่างนี้แล้วก่อนจากการขอเซลฟีล่ด้วยให้เขารู้สึกต่อเราอย่างนี้อย่าให้เขารู้สึกกับเราในทางตรงกันข้ามว่าใครนะมันชวนฉันมามาเจอคนพันนี้ได้ไง ฉันไม่แน่เชื่อว่ามนุษย์เรามันจะต่ำในขนาด น, นี้อย่าให้ใครพูดกับเราอย่างนี้ก่อนจบเขาฝากอีกเรื่องหนึ่งเพื่อปลูกความรักลงไปในใจพวกเราทุกคนซึ่งส่วนใหญ่เป็นโยคาอาจารย์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโยคาอาจารย์คือเป็นอาจารย์สอนโยคะอย่าแค่สอนโยคะสอนการเจริญสติ สอนความรักสอนมิตรภาพสอนการไม่แบ่งแยกสอนว่าโลกทั้งผองเป็นพี่น้องกันสิ่งเหล่านี้ควรจะเชื่อมไปกับโยคะภาวนาที่ท่านสอนเพื่อให้โยคะทางกายนั้นขึ้นถึงจุดสูงสุดคือโยคะทางวิญญาณด้วยมีเรื่องสุดท้ายที่จะฝากพวกเราพระพุทธองค์ทรงสอนว่าหากใครจับพวกเธอไป แล้วมัดตรึงสองมือสองเทา้าจากนั้นเอาเลื่อยที่คมกริบมีคันจับสองข้างหันเธอตรงกลางลำตัวออกเป็นสองท่อนใครก็ตามที่ถูกกระทำถึงเพียงนี้ถ้าหากยังมีความโกรธต่อศัตรูผู้กระทำคนนั้นไม่ใช่สาวกของเราและอย่ามาอ้างว่าเป็นสาวกของเรา แปลง่ายๆว่าไม่ทำตามที่สอนอย่ามาอ้อนเรียกอาจารย์พระองค์ทรงสอนให้เรามีความรักต่อสรพพชีพสรรพสัตว์ทั้งคนที่น่ารักและทั้งคนที่เป็นศัตรูด้วยหัวใจที่เสมอกันคือจงรักทั้งคนธรรมดาและจงรักที่คนปองร้ายด้วยหัวใจที่เสมอกันนั่นคือหัวใจที่ เปี่ยมด้วยเมตตาเมตตาและไมตรีพระองค์ทรงสอนเราว่ามารดารักบทน้อยกรอยใจของตนดังหนึ่งแก้วตาดวงใจฉันใดขอให้เราทั้งหลายมีความรักต่อมวญมนุษยชาติฉันนั้นทอตามองไปทางไหนให้รู้สึกว่าโลกทั้งโลกนั้นเป็นคนในครอบครัวเดียวกันทอตามองไปทางไหนก็ให้รู้สึกว่าโลกทั้งผองนั้น เป็นพี่น้องกันใครทาได้อย่างนี้คนนั้นก็เป็นหลักประกันของสันติภาพโลกเอาละวันนี้พระอาจารย์ใช้เวลาปาทกถาพิเศษมาพอสมควรเพราะว่าพระอาจารย์มาเป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรโยคะภาวนาครั้งนี้เนื่องจากพระอาจารย์เป็นพระเราไม่มีการตัดริบบิ้น <c oughs> พระอาจารย์ก็ขอเปิด ด้วยธรรมมถาพิเศษที่กล่าวมาแล้วก็หวังใจอยู่ว่าพวกเราจะมีความสำราญบานใจในการเล่าเรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่แข็งแรงสมบูรณ์และเบิกบานกับการเรียนโยคะภาวนาโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอา คเคียงทางฉันนั่งให้สบายผ่อนคลายชีวันในปัจจุบันยัดยงตรงนี้ลมหายใจค้า คือสิ่งที่เป็น